วันพระสําคัญอย่างไรในวันพระชาวพุทธจะทําบุญตักบาตรรักษาศีลฟังเทศจเจริญจิตภาวนางดเว้นอบไยมุขจะเรียกว่าวันอุโบสถก็ได้อุโบสถแปลว่าวันถือศีลของอุบาสกและอุบาสิกาผู้มีศรัทธาหรือจะเรียกว่าวันธรรมสวานดก็ได้ คำว่าธรรมสวนะหมายถึงการฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากล่าวโดวยรวมคือวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะถือศีลฟังธรรมและปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลในประเทศไทยมีหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันทรมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย